ภาวนาถ้ากําหนดรู้ทุกรู้จักทำรรที่ดับทุกเนี่ยนะคิดหรือว่าจะสร้างเหตุแห่งทุกข์อีกต่อไปถ้ารู้จักทุกว่าทุกเนี่ยมันเจ็บปวดขนาดไหนทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะเจ็บปวดในพบต่างๆเนี่ยนะเห็นความเจ็บปวดแล้วรู้จักทำรรที่สงบจากความทุกขโดยประการทั้งปวงใจหลีกออกไปหาทำที่ดับทุกได้แล้วน้อมไปสร้างเหตุเพื่อแห่งทุกข์อีกต่อไปไหมบอกไม่ พอกว่าถ้าคิดถึงนะเดี๋ยวเรียนสัจจการประธรรมเนี่ยจะเห็นชัดพผ้รหันทั้งหลายเนี่ยนะอสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยท่านชำนาญเห็นสมุทัยศัตร์เหมือนหลุมฐานเพลิงเลยนะท่านเห็นว่าไอ้ตันหาหรือสมุทัยเนี่ยเหมือนก้อนไฟเนี่ยก็เหมือนเราเห็นก้อนไฟหรือหลุมฐานเพลิงที่ตัวเองต้องตกเข้าไปอ่ะจะถามว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยนะถ้าไฟลุกร้อนระ อ, อุแบบที่เรียกว่าต้องเดินไปตามนั้นเนี่ยถามว่ามันน่ากลัวฉันใด พระทหารทั้งหลายท่านมองเห็นสมุทัยหรือตันหาฉั น, นั้นท่านบอกว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าที่เรียกว่ามันน่ากลัวเพราะมันโยนไปหาภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตตาวาสเก้ารู้เลยว่าไอ้ผลของเหมือนกับว่าดื่มยาพิษชนิดร้ายแรงอนะถ้าดื่มขึ้นไปปุ๊บเนี่ยผลตามมาหลังจากนั้นคืออะไรก็เลยอุปมาว่ามองเห็นสมุทัยเหมือนลุมฐานเพลิง ก็ว่าก็ว่าเห็นแล้วขนลุกขนพองเลยว่างั้นนะ่ะในความรู้สึกของท่านนะปุถุชนบอกโอ้ดีจริงๆริเชื่อไหมเอาเคยเห็นพวกอะไรนะมแมลงเม่นะไฟลุกทุ่มอู้มันบินเฉียวเลยนะมันถล่าลมนะถล่าลมปีกซ้ายก็้าไปไหม้ฟาบขึ้นมาตกแล้วก็ตกใส่กองไฟไอตัวหลังไม่ได้กลัวเลยนะว่าโชวไปอีกทิปตกร่วงไปอแล้วก็มามมาม า, มาเต้นไปหมดตาเยอะแย ะ, ยะไปหมดเลยนึกว่ากลัวนะที่ไหนได้เห็นกลัวเลย นี่แหละสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้กลัวต่อทุกข์ฉันนั้นแต่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านคนลุกขนพองเลยนะเห็นคนอื่นก็มีความทุกข์เนี่ยพระองค์เออพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยโหขนลุกขนพองเลยนะปีติที่คนพองเนี่ยไม่ใช่ด้วยโทสะนะดีใจว่าเราพ้นจากสภาพทุกข์เหล่านั้นแล้วนะเราพ้นทุกข์เหล่านั้นแล้วดีจริงเนอที่เราพ้นทุกข์เหล่านั้นได้ท่านเออ โลกุตระธรรมนั้นก็คือการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนะเพราะว่าถ้าโลกุตระจริงนั้นต้องกิจของอริยสัจทั้งสี่ประการเพราะไม่งั้นบอกว่าบอกเขาพ้นแล้วพ้นโลกแล้วพ้นยังไงก็าตั้งคําถามนะพ้นโลกทุกเนี่ยทุกเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่าโลกทุกขสมุทัยหรือโลกกัสมุทัยทุกขานิโรธหรือโลกกัณิโรธทุกขานิโรธคามิมีปฏิปทาหรือโลกนิโรธคามิมีปฏิปทา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 อนณาคามิมักกาหนดรู้ทุกละสมุทัยทำให้โรคให้แจ้งเจริญอรหัตตมักเขาบอกว่าการกําหนดรู้กองทุกข์ด้วยโสดาปฏิมักเนี่ยเพื่ออะไรกาหนดรู้กองทุกข์เพื่อด้วยโสดาปฏิมักเพื่อละส ก, กายติฐิวิจิกิจชาและศีลพัตะปรามาสนะสกายติฐิวิจิกิจชาและศีลพัตะปรามาสอันใดเนี่ยนะที่พระโสดาบันผู้เห็น อ่าเรียกว่าสิ่งเหล่านี้สิ้นไปพร้อมกับการเห็นพระนิพพานเหมนันเพราะพระพระโสดาบันเห็นพระนิพพานก็ละเรียกว่าทุกขสัจจะขันห้า ข, ขันห้าทุกขันจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งสกายาติทิวิจิกิจฉาสีะระพตะปรามาตของพระโสดาบันอีกต่อไปเท่ากับกําหนดรู้ปริญญาระดับนี้ละสมุทัยได้สามประการและทีนี้ถ้า สกทาคามีมักกำหนดรู้ทุกละอะไรเพื่อละอะไรกำหนดพระสกทาคามีพระสกทาคามีกำหนดรู้ขันห้าเพื่ อ, ล, อ, ะอละพยาบาทการมราคะอย่างหยาบและพยาบาทอย่างหยาบพระอนาคามีกำหนดรู้ทุกคือขันห้าเพื่อละการมราคะและปฏิฆะถ้าอาหารหันกำหนดรู้ขันห้าเพื่อละ รู ป, ปราคะอรู ป, ป์ราคะมานะอุทจฉาและอวิชชาดังนั้นก็ยังต้องทํากิจเหล่านั้นอ่ะซ้ําตั้งสี่ครั้งระดับโลกุตระมักเนี่ยซ้ำสี่ครั้งแต่โลกุตรผลเนี่ยซ้ํากี่ร้อยครั้งก็ไม่เป็นไรนะนะเรียกว่าเข้าสมาบัติเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าตัวมัดตัวที่ต้องเจริญให้มันยิ่งเนี่ยต้องได้สี่ขั้นระดับนั้น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 อนุโลมต่อโพธิปักจียธรรมทั้งหมดที่จะคู่ควรต่อการบรรลุเป็นพระโสดาบันนะจะต้องเอสนาภาวนาก็คล้ายๆกับอนุโลมมายาที่เรียกว่ารวบรวมเนี่ยนะรวบรวมน้อมนำอากุศลธรรมเหล่านั้นมาทั้งหมดอ่ะเพราะว่าจะต้องรวบรวมกุศลธรรมที่เป็นเบื้องต้นแห่งอัตนาถ้าเป็นธรรมกับธรรมยาก็เรียกว่ารวบรวมตัวยามากองเลยนะ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 อย่างดีนั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิลาภภาวนาเพราะในขณะอัปปนาเนี่ยนะ <c oughs> ส่วนเอการาสาภาวนาเนี่ยนะมีรสเดียวกันคือวิมุตติรสเนี่ยหมายความว่าเมื่อพระโยคาวจรเจริญสัตธินซีด้วยน้อมใจเชื่อศรัทธานเนี่ยก็คือน้อมใจเชื่ อ, อวิริยะสติสมาธิปัญญาก็มามีกิจอันเดียวกัน ด้วยอัตถะว่าน้อมนเชื่อเครียกว่าโอนอ่อนผ่อนตามศรัทธาหมดเลยนี่นะถ้าวิริยะเนี่ยประคองไว้เนี่ยนะอินทรีย์ที่เหลือก็มาโอนอ่อนผ่อนตามวิริยะหมดเลยมีกิจอย่างเดียวนะเพราะว่าเช่นอ่ะขณะที่ศรัทธาเป็นประธานอินทรีย์ที่เหลือก็โอนไปตามศรัทธาขณะที่วิริยะเป็นประธานในความหมายว่าประคองอินทรีย์สีที่เหลือก็มามาตามก็เรียกว่ามาร่วมงานอย่างดีสติ ตั้งมั่นอินรีย์ที่เหลือก็มาร่วมกันเนี่ยนะมีกิจอย่างเดียวกันอถ้าสมาันสมาร์ทีนซีไม่ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอินซีสี่ที่เหลือก็น้อมไปตามกันปันยินรียเห็น อ, อัดว่าเห็นเนี่ยนะอินรีย์ที่เหลือก็น้อมไปตามเครียกว่าไม่มีความขัดแย้งกันเลยเนี่ยนะอินรีห้าจริงๆนะอย่างเช่นถ้าถ้าเอา อินทรีห้าดูในโสตาปฏิยังะธรรม ส, สอินวินทรีดูในสัมมาประธานสี่สตินทรีย์ในสติประฐานสีสมาธินทรียในฌานสี่อัญญทรียในอริยาาสัจสี่เนี่ยนะสีอย่างเนี่ยกลมกลืนกันโดยที่ไม่มีการขัดแย้งกันเลยเป็นไปได้อย่างดีจึงจะทำกิจวิมุตติรสได้เพราะเอการาษฎรภาวนาในรสเดียวคือวิมุตติรสหลุดพ้นจากวัตฏะทั้งหลายหลุดพ้นจากกองทุกขตรัสรู้ธรรมเป็นที่ สงบทุกเนี่ยนะอันนี้ในขณะอินทรีย์นะจริงๆอินทรียพละโทษชงองค์มัคก็คือสิ่งเดียวกันแต่ให้รู้เถอว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้นะอินทรีย์พละโทษชงองค์มัครวมเป็นยี่สิบ้าเนี่ยนะตรงนี้ยกมาแค่ยี่สิบ้า 25, ขาดอะไรขาดสติประฐานสมมาประธานอิทิบาทขา ด, ขาดนั่นแหละขาดแค่สติประธานสมมาประธานอิทิบาต ขาดออกไปสิบสองถ้าเอาบวกยี่สิบห้าบวกสิบสองก็เป็นสามสิบเจ็ดเนี่ยนะตรงนี้ยกไหมให้ดูเป็นตัวอย่างแค่ยี่สิบห้าหัวข้อว่าทุกอย่างนี้โอนตามกันหมดเลยเนี่ยนีโอนตามกันหมดกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยเพราะนี่กุศลธรรมรวบรวมขนาดนี้แหละจึงมีชื่อว่าอธิปไตยะอธิปไตยะโถนเนี่ยนะแลยะอัดว่าอธิบดีเนี่ยนะเพราะว่าแต่ละอย่างนี่รวบรวมกันตามกันไปหมดท่านบอกว่าบางทีเนี่ยเนี่ย ถ้ามอสัตทินรียเนี่ยสมมติทังงานไหนที่สัตทินรีย์เป็นหัวหน้าอินทรีย์ที่เหลือก็ตามอยกตัวอย่างอาว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งมีเศรษฐีอยู่สี่คนแล้วก็มีพระราชาอีกพระองค์หนึ่งวันที่หนึ่งเศรษฐีคนที่หนึ่งจัดเลี้ยงเชิญเศรษฐีอีกสามท่านพร้อมทั้งพระราชามาสวยที่ที่บ้านทุกอย่างก็โอนไปตามเจ้าของบ้านหมดนะแล้วแต่เจ้าของบ้านประสงค์อนะ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 ศรัทธาเกินไปขาดปัญญางมงายปัญญาเกินไปขาดศรัทธากระด้างนะเป็นคนที่มานะสูงมากเีอะอะไรสักอย่างถ้าวิิยะเกินไปขาดสมาธิฟุง้งซ่านสมาธิที่ขาดความเพียรที่พอสมขี้เกียจ